ชงพากันตั้งใจทาใจของตนให้สงบความสงบเป็นยอดแห่งความสุขไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบความสงบนี่ใครๆก็ต้องการ แต่ถ้าหากว่ากิเลสมันครอบความจิตใจแล้วจิตนี่มันจะไม่ชอบความสงบเลยเพราะอำนาจของกิเลสมันพาให้พุ่งไปในอารมณ์ต่างๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะอย่าไปเชื่อ กิริยาอาการของกิเลสถ้ารู้ว่าภาวนาไปจิตมันพุ่งสัน้นเช่นนี้ก็ให้เข้าใจว่านั้นแหละคือกิเลสมันปั่นจิตใจเอาเราก็ไม่เชื่อมันว่ามันจะพาให้เป็นถุขไปได้มีแต่มันจะนำไปสู่ทุกข์ ดังนั้นเราจะต้องปราบมันโดยการเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีทางอื่นปราบจิตที่ฟุ้งซ่านนะ่ะมีแต่เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นทีแรกนี่กำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้ เขาเป็นทางเดินของความคิดลมหายใจเข้าออกนี่นะถ้าเราไปดักทางมันเสียเอาสติเข้าไปกาหนดรู้ลมสติเข้าไปประคองจิตให้รู้ตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกเขานี่นะไม่คิดไปทางนอิน ถ้าทำอยู่อย่างนี้บ่อยเข้าสติที่มันกำหนดรู้จิตแน้่มันก็แก่กล้าขึ้นสติสติแก่กล้าขึ้นเท่าไหร่จิตก็ยิ่งสงบเข้าไปเท่านั้นจิตนี่อาศัยสติแท้ๆมันจะตั้งมั่นต่อกุศลธรรมคุณงามความดีต่างๆได้ ถ้าขาดสติหมายความว่าสติมันใช้ไปทางอื่นนู่นมากระลึกไปทางอื่นนู่นไม่ระลึกเข้ามาหาจิตนี้อย่างงี้นะในทางธรรมะท่านเรียกว่าเป็นผูม้มีสติแต่สติมีอยู่แต่มันเอาไปใช้ทางอื่นหมายความว่าอย่างนั้นดังนั้นบัดนี้เมื่อมีภาวนาแล้วก็ต้อง มันฝึกสตินี่ให้ระลึกเข้ามาท่ากายหาจิตนี่ให้มากนะระลึกตามลมหายใจเข้าออกเข้าไปเมื่อระลึกเข้าไปมันไม่ยากอะไรนี่มันก็ไปรู้จิตนั่นแหละรู้ความรู้กันนั่นแหละ สติมันก็ไปปกครองความรู้อ น, นั้นอยู่ไม่ให้ความรู้อนั้นเกิดความคิดต่างๆขึ้นมาให้เข้าใจเพราะมันคิดมามาก่อมากแล้วตั้งแต่เกิดมารู้เรียนสา ม, มาจนถึงวัดนี้แหละถ้าความคิดนี่ฮะเป็นตัวเป็นตนแล้ว มันไม่มีที่จะไว้แล้วโลกอันเนี้ยแต่บังเอิญความคิดนี่มันเป็นนามธรรมาไม่มีรูปร่างพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้แต่จิตนี่สิมันเอาไปหลงมันน่ะหลงความคิดว่าเป็นตัวเป็นตนมันถึงได้เกิดทีเลตขึ้นมา เกิดความรักเกิดความชังเกิดความหลงความเมาเกิดมานะทิฐิความกระด้างกระเดืองสรรพัฒ์แหละแต่มันจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่มีสติควบคุมจิตใจแล้วไม่ภาคเพียรพยายามทำใจสงบแล้วมันก็เป็นบ่อเกิดของกิเลสนานาประการนั่นเอง ดังนั้นทุกคนได้รู้เราเป็นทุกข์กับกิเลสมานี่มันนับชาติไม่ท้วนแล้วที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารอันเนี่ยมันก็ล้วนตั้งแต่เป็นทาาของกิเลสปัญหาอุปาทานทั้งนั้นแหละมันมันจึงได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวัตาสงสารนี่ มันในทุกขาชาติปุณปูณังความเกิดขึ้นบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์พระองค์เจ้ตาตรัสว่าเพราะฉะนั้นเราทุกคนได้พึงพากันซ้ำเหนียกดูให้ดีให้มันรู้ด้วยตนเองว่าการเกิดมานี่เป็นเป็นทุกข์อย่างไรอันนี้ถ้ามันไม่รู้ด้วยตนเองแล้วมันไม่เบื่อนาย ต่อความเกิดในโลกนี้แนหะ่ะห่วงไว้อยากเกิดอีกอยู่อย่างนั้นแหละแม้ว่าจะได้ประสบความทุกข์ยากลำบากแต่ถ้าตัณหานมันลูกไร่จิตใจเข้าไปมันก็ลืมทุกข์ไปพักหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นตัณหานี่มันมีเล่ห์เหลี่ยมบางทีมันก็ให้เป็นสุขสบายใจ อยู่ชั่วระยะหนึ่งทำให้คนเราหลงละเลงไปตามกิระิยาะอาการที่หลอกลวงของกิเลสตัณหานั้นทีนี้เมื่อเมื่อมันจิตตกอยู่ใต้อำ น, นาจของมันแล้วเอามันก็บันดาดนี่เกิดทุกข์ เพราะฉะนั้นให้พึงพากันสำเนียกดูให้ดีกิเลสปัญหาเนี่ยมันมีมายาสาไถมากมายเหลือเกินกิเลสมันก็เกิดจากจิตนี่เองเี่ยจิตนี่คิดขึ้นปรุงขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องคัดเลือกความคิดที่ทุกครั้งไปที่มันคิดขึ้นมาก็ความคิดที่มัน เป็นกิเลสมันประกอบไปด้วยกิเลสหรือว่ามันไม่ใช่เดิมมันเป็นความคิดที่ตรงไปตามความเป็นจริงนี่เราจะต้องพิสูจน์เราจะต้องแยกแยะดูนี่ความแยกแยะความคิดอันนี้มันว่องไวมากไม่ใช่ว่ากินเวลาอะไรมากมายพอมันนึกคิดขึ้นมามันก็รู้แล้วว่าความคิดนี้มันผิด ไม่ถูกทางแห่งความสงบเช่นมันเกิดความคิดรักให้อะไรต่ออะไรขึ้นมานี่นะพอรู้สึกนีตกขึ้นมาก็รู้แล้วกอรู้อย่างนั้นก็รีบสอนใจให้ละเว้นไปเลยนั่นไม่ใช่หนทางแห่งความสงบเป็นหนทางให้เกิดความฟุ้งซ่านราคาญต่างๆ น, นี้นะ เตือนตนเข้าไปอย่างนี้เมื่อจิตได้รับการตักเตือนอย่างนี้มันก็รู้ตัวเมื่อมันรู้ตัวมันก็หยุดปรุงหยุดแตง่งเมื่อมันหยุดปรุงแตง่งแล้วกิเลสอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีจิตนี่เป็นใหญ่ทั้งนั้นเลยกิเลสตัณหาก็ดีมรรคผลธรรมวิเศษก็ดีมันก็มีจิตนี่แหละ เป็นผู้มงการมันถึงเกิดขึ้นได้อย่างอริยมรรคทั้งแปดประการอย่างนี้นะอันเป็นหนทางให้ได้พ้นทุกข์ใครในสงสารอย่างนี้ถ้าเราไม่ปรุงแต่งขึ้นมามันก็ก็ไม่เกิดอะอริยมรรคนะนะนั่นแหละหรือความโรคโกรธหลงอะไรพวกนี้ถ้าจิตไม่ปรุงแต่งขึ้นแล้วมันไม่เกิดเลย ต้องให้เข้าใจมันกิเลสมันเกิดขึ้นเพราะจิตคิดมันขึ้นปรุงแต่งมันขึ้นมาดังนั้นละพระศาสดาจึงสอนให้ไปควบคุมจิตอย่าให้มันคิดมากถ้ามันคิดไปแล้วมันหน่อยมันก็เกิดเป็นกิเลสปัญหาขึ้นคิดตั้งแต่ในเรื่องที่มัน หน้าที่การงานที่จะต้องทำเท่านั้นเองถ้ากาไม่ไม่ไ ม, ไม่มีเรื่องอะไรที่จะทำก็ไม่ต้องคิดอะไรต้องน้อมสติะระลึกเข้าไปในใจไปควบคุมจิตใจไว้แล้วก็เพ่งดูร่างกายอยู่อย่างนี้แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ให้เข้าใจ เมื่อจิตนี่มันมีสติควบคุมแจยโยนไม่ได้โอกาสมันก็ไม่ริตกไปในทางการ ม, มากิเลสตัณหาหรือไม่ได้ริตกไปทางแห่งความโกรธความเบื่บาทต่างๆมันก็ไม่ไปจิตนี่นะ่ะให้เข้าใจถ้าเผลอสติเมื่อใดมันก็ไปดังนั้น พระศาสดาจึงสอนให้เจริญอริยมรรคเป็นอารมณ์อยู่ในใจแล้วอย่างนี้มันมันจะไม่หลงพลิกแปลงไปตามอำหนาจของกิเลสเอาสติไปควบคุมจิตให้นึกถึงมรรคมีองค์แปดเสมอเสมอเช่นปัญญาสำ ม, มาติสฐิปัญญาเห็นชอบ เห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่คืออะไรคือทุกข์ทุกข์ก ค, กคืออะไรทุกข์ก็คือความทนในยากทนลําบากของร่างกายสังขารอันนี้สังขารร่างกายอันนี้มันทนอยู่ไม่ได้มันแปรปวนอยู่อย่างนั้น เดี๋ยกวก็ร้อนเดี๋ยกวก็หนาวเดี๋ยกวก็เจ็บโ้นปวดนี่เดี๋ยกวก็หิวข้าวเดี๋ยกวกว็กระหายน้ำสรรพัดตั้งแต่มันแปรปรวนไปอันนี้แหละคำว่าลักษณะอาการของทุกในธาตุสี่ขันห้า 5. อันนี้นะให้พึ่งเข้าใจถ้ากว่ามัน เป็นของเที่ยงอย่างนี้มันก็จะไม่แปรผันอย่างนี้เลยนี่ไอสอนใจตัวเองเข้าไปก่านนี้เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงวนไหวกระทบกระทั่งกับจิตนี่รลางกายนี่นะจิตนี่จึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะเพราะตนมาอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงให้เข้าใจ ถ้าว่ามาอาศัยอยู่กับของมันเที่ยงเช่นนี้นี่มันก็จะไม่ทนทุกข์ทรมานเอมันก็เป็นนิพพานในมนุษย์เท่านั้นเองจะเรียกว่าเกิดมาแล้วไม่ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมันก็อยู่ไปได้จนตลอดในดโน้นีลยถ้ามันเที่ยงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหาอาหารมาเลี้ยงมันร่างกายอันนี้ ก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละถึงได้ธนุบำรุงมันอยู่อย่างนั้นแล้วอันนี้ท่านเรียก ว, ว่าทุกข์ใยนี่นะมันนี่ทุกข์ใจอยู่นี่ทุกข์ใจก็เพราะทุกไม่มีปัญญารู้เท่ากิเลสละกิเลสไม่ได้ปล่อยให้กิเลสมันครอบงําจิตใจเอาใจนี่ถึงได้เป็นทุกข์บว่านี้นะวุ่นวายเดือดร้อน ปันตัญหาเกิดขึ้นในใจิตใจอย่างรุนแรงมันก็อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีที่สิ้นสุดในโลกอันนี้นะ่ะั่นแหละจิตใจจึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละทุกข์เพราะความอยากได้ทุกข์เพราะความอยากโลภอยากโกรธอยากหลงเนี่ยอยากมัวเมาไปในอารมณ์ต่างๆ มัวนี่มันรวนแต่ทุกข์ใจทั้งนั้นให้พึ่งเข้าใจเราต้องแบ่งทุกข์ออกเป็นสองส่วนทุกหนึ่งทุกกายทุกหนึ่งทุกใจดังอธิบายมานั่นแหละทีนี้ในระหว่างความทุกข์สองอย่างนี้นะ่ะหากว่าบุคคลมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไป ใจเข้าถึงความสงบเกิดปัญญารู้เท่าสังขาร น, นามรูปต่างๆเหล่านี้นะกิเลสมันก็ระ ง, งับไปมันก็เบาบางไปชื่อว่าเป็นผู้ดับเหตุแห่งทุกข์เพราะว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหา สิ่งที่จะมาระงับตัญหาได้ก็คือมักมีองแปดที่พระศาสดาทรงแสดงไว้คำว่ารู้แจ้งในมัก ม, มีองแปดนี่หมายความว่าพูดกันย่อๆว่าศีลตนก็ได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นในกายวาจาอยู่ทุกวันทุกเวลาอยู่แล้ว ไม่ได้ร่วงพุทธบัญญัติเพราะเหตุอันใดอันหนึ่งเหตุอันใดก็ะทางไม่ยอมร่วงแล้วก็ทีนี้เมื่อเมื่อดำเนินตามอริยมรรคคือภาคเพียนพยายามทำใจให้สง บ, บระงับเข้าไป มีสติสมบสัติเนี่เพ่งพิจารณาร่างกายนี้เข้าไปตามในสติปัฏฐานสี่กายนี่ก็สักว่าแต่กายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพระองค์เจ้ามีพระประสง์ให้ระลึกอย่างนี้หมาเก็ว่าอย่างนั้นให้ระลึกเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่ใช่ว่ามันเป็นของเราเมื่อไหร่ก็มันธาตุของมารดาบิดานี่ธาตุสี่ดินน้ําไฟลมที่บุญและบาปตกแตงให้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนมานี่นะอธาตุของมารดาบิดาต่างหากไม่ใช่ของเรานั่นและแล้วธาตุเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบังคับไม่ได้ไม่พินไปตามใจหวัง ก็เมื่ อ, อ, อปัญญาสมาสธิมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะมันเห็นว่าเมื่อละตัณหาได้จิตใจเขาเข้าถึงความสงบอิ่มไม่อยากได้อะไรนี่นะนี่จึงเรียกว่ารู้อริยสติรู้นิโรธความดับทุกข์ก็คือรู้ว่าจิตของตนสงบจากตันหา ไม่ได้ทะยอทยานไปในอารมณ์ใดอิ่มอยู่ภายในเพราะมันรู้แล้วว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่ควรจะไปยึดถือเอามาเป็นของตนยึดถือได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาติดตามไปเพราะมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนแจกดับไปร่างกายมันเป็นที่อาศั ย, อศยของขีดนี่ มันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วะฉะนั้นแม้วาจจะยึดถือเอารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภา ย, ภายนอกไว้ยังไงมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้เพราะร่างกายแอมเป็นที่รองรับสิ่งของที่ต้องการต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงนี้ถึงเวลามันหมดเหตุโปรดปัดใจใย ที่ตกแต่งร่างกายนี้ลงเมื่อใดร่างกายนี่ก็แตกดับทําลายลงอไม่มีอวัยวะส่วนไหนที่จะยั่งยืนต่อไปได้เมื่อร่างกายนี่แตกดับลงไปแล้วสมบัติภายนอกต่างสเหล่านั้นน่ะมันจะเป็นของใครวะนี้นะจะเอาตามไปได้หรือไม่มีไม่มีทางจะเอาติดตามไปได้เลย เงินทองเข้าของทุกอย่างทิ้งไว้ในโลกนี้ความจริงกเปไปอย่างนี้นะแต่คนเรามันไม่ยอมพิจารณาให้เข้าถึงความจริงเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะมันถึงได้สร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดให้เกิดขึ้นในจิตสันดานเมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้ว แล้วก็คำอักคำเม่นผาาเปลียนพยายามทำใจให้สงบนี่แหละสำคัญมากเพราะว่าใจสงบแล้วมันเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาผู้มีปัญญาเท่านั้นแหละถึงจะเอาตัวรอดจากทุกจากโทษภัยในสงสารนี่ไปได้ถ้าผู้ขาดปัญญาแล้วทำอะไรก็สำเร็จไม่ได้เลย โดยเฉพาะละกิเลสก็ละไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุบายไม่มีอุบายสอนใจอันนี้ใจนี้มันจะละอะไรได้มันต้องต้องมีอุบายปัญญาสอนเข้าไปาว่าร่างกายนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ควรถือมั่นมัน เต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษดังพรรณนามาอย่างนี้นะเ <c oughs> มือม่อเมื่อมีอูบายสอนใจตัวเองเข้าไปบ่อยจิตมันเห็นตามเห็นชอบตามปัญญามันก่อละมันก่อละอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นอันซึ่งมันเป็นบอกเกิดของกิเลสต่างๆ ถ้ามันกำหนดละได้โดยอำนาจแห่งปัญญามันก็ไม่ไม่ค่อยเกิดแหละสิ่งใดถ้าปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์แน่นอนแล้วละเสียวางเสียเช่นนี้แล้วคิเลสอันนั้นก็ไม่กลับมารบกวนจิตใจอีกท่านเรียกว่า ท่านเรียกว่าละสังโยชน์ขาดจากขันดานด้วยอํานาจแห่งอริยมรรคนี่นะสังโยชน์นี่คือสิ่งที่มันไปผูกพันอยู่ในจิตใจหรือว่าใจไปผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์โยไม่ยอมละไม่ยอมวางอย่างนี้ท่านเรียกว่าสังโยชน์ให้เข้าใจเช่นอย่างว่า จิตใจนี่มันหลงไหลผูกพันอยู่กับร่างกายอันนี้มันสําคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนี้นะอะเมื่อมันยึดถือร่างกายเป็นเราเป็นเขาอยู่ตรงนี้มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเลยเพราะร่างกายมันไม่เที่ยงอเช่นนี้เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วปัญญาสอนจิต้เห็นแจ้ง ในร่างกายตามเป็นจริงร่างกายนี่รวมทั้งรูปรวมทั้งน้ำสองอย่างส่วนที่เป็นรูปก็เพ่งพิจารณาแยกแยะดูนับแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหะไรเนี่ยเป็นต้นไปเพ่งดูด้วยเพ่งดูด้วยความไม่ลำเอียงเข้ากับกิเลสมันก็ต้องเห็นว่ามัน ชกก็ปกโสมมอมไม่มีอะไรสวยงามเลยเพราะมีหนังหุ้มอยู่ภายนอกนี่ต่างหากที่มันไม่แสดงความโฉครกออกมาให้เห็นนะถ้าลองลองนึกวาดภาพว่ารอกหนังนี่ออกดูสินำเลือดนำเหลืองนำน้องอะไรมันจะไหลหลังออกมาอันนี้เมื่อใครเห็นเขาแล้วก็ไม่ไม่ต้องการแล้ว เบือนหน้าหนีซ้าเป็นไรอ่ะเนี่ยอย่างนี้แหละความจริงของร่างกายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เวลาจิตถอนออกจากร่างแล้วถ้าทิ้งไว้บนดินก็มีแต่เน่าแต่เปื่อยผูพังไปมีกลิ่นก็เหม็นมีสีกดดำก็คร่ำเข้าไปไม่น่าต้องการปรารถนาแม้แต่น้อยเดียวเลยเอาให้เป่า ก, ก, ก็ไม่เอาเนี่ ก็ต้องใช้อุบายปัญญาพิจารณาร่างกายทังขารอย่างนี้ให้เห็นชัดตรงไปแล้วมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอันนี้เนยเป็นทางที่จะให้ตัดสังย์คือความผูกพันอยู่กับร่างกายนี้ออกไปได้ที่ท่านเรียกว่าสักกายยะทิฐธิเนี่ยพระโสดาบันท่านละขาดจริงๆไะ ท่านไม่กลับมาเห็นร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเลยนี่ดังนั้นจึงเรียกว่าสักกายทิฏฐิเรียนผู้รักสักกายทิฐิได้สักกายทิฐินี้แปลว่าความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้นะเมื่อ สินสมาธิปัญญาบังเกิดขึ้นในใจแล้วใจก็ยังมองเห็นร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนของเราซึ่งตรงกันข้ามกับเมื่อก่อนแต่ก่อนนะมันสาคัญว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นแหละมันจะเกิดกิเลสพันหา้าตัณหาร้อยแปดขึ้นมาในหัวใจทีนี้เมื่อ ปัญญาสัมมาทิฏฐิปังเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นร่างกายอันนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาตรงกันข้ามกับความเห็นแต่ก่อนอมันเป็นอย่างนั้นเห็นด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันมันก็ปล่อยวางได้เลยปล่อยวางขันห้านี่ไว้ตามสภาพของมันไม่ดีใจในเวลามัน มีกำลังเรียวแรงดีกินได้นอนหลับก็ไม่เพลิดเพลินไม่เสียใจเศร้าโศกในเวลามันวิบัติแปลปรนไปนี่แหละมันจริงจะไม่ถึงจะพ้นทุกข์ไปได้ต้องทำจิตอย่างนี้เหมือคําว่าอย่างนั้นถ้าทำจิตอย่างนี้ไม่ได้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลย อาศัยอยู่ในขันห้าอันนี้เมื่อขันห้าอันนี้มันแปรปรุนไปจิตก็แปรไปตามอย่างนี้นะแสดงว่าจิตมันยึดถืออยู่ในขันห้าอันนี้แต่ถ้าว่าขันห้านี่มันกระปรีก้กระเปร่าอมันมีกําลังวังชาดีาก็เพลิดเพลินไปตามขันห้านี้เสียอ เช่นนี้แล้วมันจะไปพ้นจากขันหานี้ได้ยังไงแสดงว่ามันยึดถือเมื่อขันขันหานี้มันหมดเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่ตนทามาแต่เช้าก่อนนั้นนะลงเมื่อใดอจิตนี้มันก็อยู่อาศัยร่างอันนี้ไปไม่ได้ น, นั่นเอง มันก็มีบุญระบาปที่ทนทำในชาตินี้แหละลองรับดวงจิตนี้ไปมันเป็นอย่างนั้นเดอมมันนะเพราะฉะนั้นต้องให้พากันเทศจรณาดูให้ดีเมื่อบุคคลภาวนาเห็นแจ้งในขนันธ์ห้าตามเป็นจริงอย่างว่านี่อยู่เสมอเสมอมันก็ไม่เพลินไม่เมาจิตใจก็สงบ เป็นปกติไม่หลงยินดียินร้ายกับอะไรต่ออะไรนี่ผลที่จะได้รับนะให้เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้แนละ้วมันก็ไม่สร้างกิเลสตัณหาหเกิดขึ้นในใจจิตใจมันก็อยู่ด้วยความสงบทั้งกลางวันกลางคืนแม้จะทำการทำงานจะพูดจาปลาใสอะไรอยู่ จิตใจมันก็ไม่ผิดปกติเหมือนกันบุคคลผู้มีสติรู้จิตตัวเองอยู่เสมอนะรู้ว่าจิตเป็นปกติอยูอ่เราจะพูดอะไรกับใครอย่างนี้ก็มีมีสติกำหน ด, ดรู้ว่าเรื่องนี้ควรพูดอย่างนั้นเรื่องนี้ไม่ควรพูดมันมันรู้ขึ้นในจิตอย่างนั้นเราก็เลือกคัดจัดสรรพูด แต่ในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นก็อย่างนี้แหละธรรมดาผู้รู้ทั้งหลายนะถ้าไม่ได้พูดปรำปราไปโดวยว่ามีประโยชน์มีแต่คนไม่รู้นั่นแหละพอคิดได้อะไรก็พูดออกไปเลยไม่ยับยั้งทั้งใจไม่ตรีตรองเลยก่อนจะพูดอะไรนี่คนไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้ เรียกว่าพูดไปตามอำนาจของกิเลสถ้าคมกรดมันเกิดขึ้นมาเนี่การพูดจา ก, ก็หยาบโลนมาเนี่ไม่อ่อนหวานไม่อ่อนโยนไม่อ่อนน้อมคนผู้คนผู้อื่นได้ยินได้ฟังเขาก็เบื่อหน่ายอืเบื่อหน่ายวาจาคําพูดของผู้นั้นไม่อยากฟังอย่างนี้แหละความ พอไม่รู้นะพอคิดขึ้นมาได้ยังไงก็พูดไปเลยบางทีมันมันเป็นเรื่องที่เสียหายเรื่องไม่ดีมันก็เสียหายไปนั่นแหละมันก็ไม่ดีมันก็เกิดทะเลาะวิวาดกันไปหาความสงบระงับไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ทุกคนให้มุ่งความสงบเป็นที่ตั้งอย่าไปมุ่งความเพลิดเพลินความพุ่งซ่านเลื่อนลอยปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปทั่วนไม่ดีแล้วนั่นแหละมันเป็นเหตุให้คนเราทำผิดทำพลาดไปร่วงทำร่วงวินในยาม สัมรวมจิตใจของตนให้เสมอไปแม้จะอยู่ในวัดก็ดีจะไปบินทบาทหรือจะไปที่ไหนไหนก็มีสติสัมรวมจิตอยู่อย่างนั้นไอคนเราเนี่ยอยู่คนเดียวเนะ่ยมันมักเก่ยวกความคิดมันมากเลยเกี่ยกับคิดเลื่อนลอยไปทั่วมันมันไม่มีสติควบคุมจิตตัวเอง นั่นแหละอยู่คนเดียวต้องระวังความคิดโบราณท่านว่าให้เข้าใจมันคิดมันเป็นธรรมดามันคิดแหละจิตนี่นะแต่ว่าเราต้องให้มันคิดไปแต่ในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นต้องเข้าใจอย่างนั้นมีสติคอยกำกับอยู่ถ้ารู้ว่ามันเผลอสติมันจะคิด ไปในทางที่มันไม่ถูกต้องอย่างนี้นะเราก็รีบเตือนจิตทันทีออ้นั่นไม่ไม่ใช่้นทางคนทุกนะเป็นทางไปสู่ทุกสติมันรีบเตือนจิตใจทันทีจิตใจมันก็หยุดคิดเรื่องนั้นแหละวบบนี้นะนั่นแหละถ้ามันชอบอยากคิดก็ให้มันคิดดูร่างกายสังขารอันนี้ คนร่างกายสังขารอันนี้ตนอาศัยมันอยู่แท้ๆนะไม่รู้ตะไม่รู้ความจริงของร่างกายนี่จึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนี้แหละให้เข้าใจเมื่อไม่รู้มันแล้วก็ไปยึดถือเอามันความยึดถือเป็นตัวกรรมเมื่อร่างอันนี้มันชํารุด ใช่ไม่ได้แล้วกรรมที่ตนยึดถือเอาไว้นั่นนําดวงกิจไปเกิดเป็นรูปเป็นร่างอันนี้ขึ้นมาอีกแต่ถ้าได้เกิดเป็นรูปคนนี่ก็ยังชั่วหน่อยนะแต่ส่วนมากทาไม่ดีทํำบาปลงไปแล้วมันก็ไปเกิดเป็นรูปสัตว์นรกเป็นรูปของเปรตเป็นรูปของอสุรกายเป็นรูปสัตว์ดริดฉาน หมายความว่าจิดตดวงนี้ได้อาศัยอยู่ในรูปหยาบๆเหล่านั้นนะรมชั่วมันแต่งอ่ะเป็นงั้นดังนั้นน่ะให้พึงพากันมีสติสมบัตญญะสำรวมระวังจิตนี้เสมอเสมอให้มันนึกไปในร่างกายสังขารนี้ให้มากที่สุดไอเราเป็นนักบวดนี่นะไม่มี งาน้มยมีการอะไรที่จะให้คิดให้ปรุงให้แต่งเหมือนอย่างพ่อค้าพานิดเหมือนอย่างช่างก่อสร้างอะไรต่ออะไรพวกนี้นั่นการงานมันบงังคับให้เขาคิดแต่ได้เราเป็นนักบวชไม่มีไม่มีการงานอะไรที่จะให้คิดจนว่ายุ่งสมองมากมายจันั้นถึงมันเป็นโอกาสอันดีแล้ว ที่เราจะได้ฝึ ก, กจิตใจนี้ให้ส ง, งบให้ตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีถ้าไม่ได้รูปร่างอันเป็นมนุษย์นี่ขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาบวชเรียนในพระพุทธศาสนานี่ได้มาทำความภาคเพียรฝึกฝนกจิตใจนี่ได้ไม่มีถ้าไปเกิดในร่างอื่นแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้ ฝึกตนเลยให้เข้าใจาพูดถึงฝ่ายชั่วนะถ้าไปตกนรกได้อย่างนี้มก็แล้วเลยมีแต่น้ำร้อนร่วกไฟเผาให้เร่าร้อนให้เจ็บให้ปวด ป, วดปิแต่ ร, ร้องครวนครางอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานี่โอ้น่ากลัวจริงๆนะนรกนี่นะพิจรารณาให้มันเห็นด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงคนนะอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระองค์ตั้งปั้นเรื่องขึ้นมาสอนคนไม่คนเบียดเบียนกันในชาตินี้เท่านั้นแหละบางคนเห็นอย่างนั้นจริงๆนะโออโหถ้าหากว่าพระองค์ไปพูดโกหกอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยผู้ที่จะเป็นพ ร, พระพุทธเจ้าคนนี้เป็นอัปะ อ, อราหาันผู้บริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนั้นร้วนตั้งแต่ท่านเป็นผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจไม่ล่วงศิลไม่ล่วงธรรมทั้งนั้นแหละจิตใจของท่านจึงเข้าถึงความสงบปัญญาจึงได้เกิดขึ้นสามารถตัดสุสัมมาสัมโพธิญาณได้ให้เข้าใจให้มันถูกต้อง ดังนั้นเมื่อพระองค์เจ้าได้ตัดสัรู้แล้วพระองค์จึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัท น, นละเสียซึ่งความชั่วมันก็มีอยู่ห้าอย่างเท่านั้นเองความชั่วนะถ้าพูดถึงความชั่วอย่างถึงต้น ต, นตอแห่งความชั่วทั้งหลายจริงๆนะฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประบพิดผิดในกาม กลามุสาวาตเตมสุราเมรัยกัญชายาฟินเฮโรอินของเสพติดให้โทษตั้งๆังม้่แต่บุรีนี่ก็ยังจัดเข้าในของเสพติดให้โทษ ด, ด้วยบุรีผูใ้ใดสูบมากเข้าไปแล้วก็ตัดทอนอายุให้สั้นเขา้ามันสมควรจะมีอายุอยู่ไปอีกนาน กวนนี่อย่างนี้มันก็อยู่ไปไม่ได้เพราะว่าไปอัดควันบุหรี่เข้าไปในตับในปุงเข้าไปแล้วควันเหล่านั้นมันมีพิษอยู่ในตัวมันก็ไปทําลายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้ชารุดทรุดโทรมล ง, งนี่ในหนังสือพิมพ์เขาเรียกว่าตายผ่อนส่งพวกติดของเสพติดต่างๆนี้นะพวกตายผ่อนส่งทั้งนั้นแหละ อย่างนี้แหละอันนี้ที่นี้อโทษห้าประการเนี่สสำหรับเครือหัดล้วต้องรักษาเป็นนิดไปเลยบัณฑิตสะนนทะคือนักบวชนี่พระพุทธองค์ทรงบัญญัตศิศกขาบวหรือทรง ทรงบัญญัติห้ามความประพฤติทางกายวาจาให้ละเอียดเข้าไปกลัวความประพฤติชั่วห้าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอุดมปรเพศเป็นเพศอันอุดมการเป็นพระเป็นเนนนี่นะให้เข้าใจกระดูนี้แล้เครื่องงุ้งเครื่องโฮมนะมันเหมือนกับชาวบ้านที่ไหนล่ะเือนย ผมเผาอะไรก็โกนทิ้งไปหมดไม่ได้ไว้ผมเลยเล็บก็ต้องตัดมันยาวขึ้นมาไว้เล็บยาวไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงห้ามเล็บเท้าเล็บมืออะไรตัดเสมอเสมอไปเลยไม่มีการประดับประดาตกแต่งด้วยดอกไม้ด้วยของหอมด้วยเครื่องประดับทั้งหลายมีสร้อย คอตุ่มหูแหวนเพชรนาฬิกาข้ออะไรยู่เนี่ยไม่มีการประดับตกแต่งเลยก็ร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงมายังยืนเราจะไปตกแต่งมันไปทำไมอ่ะอันนี้ตกแต่งให้มันเป็นภัยแก่ตัวเองทำไมโจรขโมยเห็นเข้ามันน้ำลายไหลเลยเครื่องประดับตัวเนี้ย เมื่อมันได้ช่องได้โอกาสมันก็จี้ก็ปล้นเอาถ้าขาดคืนมันมันก็ฆ่าให้ตายแล้วมันก็ลอกคาบเอาไปไอโจรนั่นเรียกว่ามันไม่มีเมตตากรุณาต่อใครแล้วก็จะขอให้ได้สิ่งที่มันต้องการไปบริโภคใช้สอยแล้วเป็นพอแล้วพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติธรรมมาให้พิกถุสามเณรประดับปดา เครื่องประดับตกแต่งดังกล่าวมานี่ก็เพราะมันมีภัยอย่างว่านั้นแหะอย่างหนึ่งภัยภา ย, ย, ยนอกก็โจรขโมยภัยภา ย, ยในก็คือกิเลสตัณหาความยินดีพอใจในเครื่องประดับเหล่านี้พอมองดูทีใดปึ้มใจขึ้นมาว่าตนนั้นมีเงินทองมากมีเครื่องประดับมีราคาค่าทูงใครเห็นก็ ยกย่องว่าเป็นผู้ร่ำรวยนี่เมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็กิเลสมันก็ไม่แห้งเลยนั่นแหละความยินดีความพอใจต่างๆมันก็ทุ่มอยู่ในหัวใจอย่างนั้นแ่ะเรื่อยไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวดนี่นะต้องให้รู้ตัว ต้องอย่าคนึกอย่าคึกขนองอย่าแสดงอาการโกรธกริ้วอะไรเหมือนอย่างเมื่อเป็นครือข่ายโยต้องฟังคำตักเตือนจากผู้อื่นซึ่งมีคุณธรรมที่สูงกวัวตน้นเมื่อเพื่อนตักเตือนเข้าไปแล้วก็ไห้ตื่นตัวไอ้ธรรมดาผู้หวังดีตัวตัวเองนะ แม้ว่าผู้นั้นจะมีอายุอ่อนกว่าตนก็ตามนะแว่าเขานั้นทำความดีมายิ่งกว่าตนเขาเห็นความผิดของเราแล้วเขาตักเตือนอย่างนี้เราก็ยอมฟังนะคนผู้หวังทา่าความหวังที่จะนำตนใด้พ้นจากทุกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าผูใ้ใดยัง ถือเนื้อถื อ, ถอตัวอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าไม่ใช่อุปชาอาจารย์ของตนก็จะไม่ยอมฟังใครมาพูดมาตักเตือนนะไม่เอาเลยอย่างนี้อันนั้นเดี๋ย ว, ว่าเป็นความเห็นผิดไปไม่ใช่ความเห็นถูกเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เลือกเข้ารบแต่บุคคล ที่ตนพอใจที่ตนเลื่อมใสนับถือเท่านั้นถ้าบุาคคลใดที่ตนไม่นับถือและไม่เคารพไม่อ่อนน้อมเลยไออย่างนี้มันเป็นกิเลสอย่างหนาท่านเรียกว่ามานะทิติจัดอยู่ในอุปกิเลสสิบหกอย่างนู่นกิเลสที่ทําใจให้เศร้าหมองเพราะฉะนั้นไอ้พึ่งพากันลดละ กิเลสเหล่านี้ออกจากหัวใจมันถึงจะพ้นทุกไปได้ถ้าไม่ยอมละกิเลสเหล่านี้ไม่ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลที่ควรอ่อนคนน้อมอย่างนี้นะกิเลสมันจะไม่เบาบางไปเลยอืลองสังเกตดูให้ดีนะมันดากิเลสทั้งหลายมันเกิดจากมานะทิฏฐินี้ทั้งนั้นแหละ จะ ย, ยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอย่างว่าถ้ามีใครเข้ามาด่ามาว่าก็าไปมาตาหนิตีเตียนก็ไปอย่างนี้นะมันก็เกิดมานะขึ้นมาในใจว่าแมหมไอเรานั่นขดขนาดนี้บดดาได้หรือมาตาหนิตีเตียนได้หรืออ่าอะไรเราก็มีความรู้เราก็มี กำลังกายเราก็ดีแม่นจะโชจชะตีกันเราก็ไม่กลัวเราก็เกิดเป็นคนมีตระกูลทำไมจึงมาด่ามาว่ากันเจ็บเจ็บแสบแส บ, แสบไปอย่างนี้นี่นั่นแหละเรื่องอากิริยาอาการของมานะมันเกิดขึ้นขั้งแรกกํเาเบงั้นนะมันสำคัญว่าเขาด่าเราพูดสั้นๆวันเี้ไป คนอื่นนั่นก็นสำคัญว่าเขาไป เ, เราในร่างกายสังขารอันนี้ก็ว่าเราของเราเพราะว่าเขาด่ามานี่เขาก็ด่ามาก็หูนี่ได้ยินนะไม่ใช่อย่างอื่นมันรับเสียงต่างๆนั้นก็หูนี่ได้ยินแล้วก็รู้งูเข้าไปถึงดวงจิตอย่างเงี้ยนี่หละมันมันหลงไหลถือว่าเขาด่าเรา เขาทำนี้ตีเตียนเราอย่างนี้นะมันจึงเกิดมานะเย่อหยิ่งขึ้นมาแล้วตอนนี้อืมมันอยู่ตรงนี้ที่คนเรามันละกิเลสไม่ได้นันนะเรื่องของมานะเนี่ยมันสําคัญมากนะทีนี้ท่านพุละกิเลสได้นั่นเพราะท่านเจริญวิปัสสนาอย่างว่านั่นแหละเพ่งพิจารณาร่างกายขันธ์ทั้งห้าอันนี้ ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรนแตกดับไปเป็นธรรมดาพิจารณาบอ่บอยเข้าไปม่นก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้เข้าไปคราวนี้นมันกนละความถือตัวแหละไม่ได้สำคัญว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นผู้มีอิทธิพลมี รับมากบอมีกำลังกายแข็งแรงบอกอะไรอย่างนี้มันไม่ถือแล้วละไปเลยนะความถือมั่นเหล่านี้นะจะถือไว้ทำไมเพราะมันไม่ใช่ของเราอ้นถือมั่นไว้แล้วมันก็เป็นโบเกิดของราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิก็อย่างว่ามาแล้วมันผู้เจริญปัญญาวิปัสนามันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ ปลยมันก็วางความถือมั่นต่งางๆเหล่านั้นลงพอมันปล่อยวางความถือมั่นต่งางๆได้อย่างนั้นแล้วมันก็ยอมปฏิบัติตามธรรมตาวินัยทุ ก, กอย่างเลยแบบนี้ไม่มีข้อแม่อะไรทั้งนั้นเลยนี่ก็เพราะว่าตนอยากพ้นจากความไม่เที่ยงอันนี้เรื่องมันน่ะพูดง่ายๆไม่อยากมาอาศัย รูปน้ำอันไม่เที่ยงไม่ยังยืนนี่ต่อไปจึงมองเห็นตั้งแต่ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยนับว่าเป็นหนนทางที่จะพ้นจากสิ่งที่ไม่เที่ยงคือขันห้าอันนี้จริงๆนี่มองเห็นอย่างนี้แล้วเราจึงยอมปฏิบัติตามทำตามวินยัยทุกอย่างไปเลยไม่มีข้อแม่อะไร เมื่อเรายอมลงได้อย่างนี้เราก็ทําตามได้หมดเลยวันนี้ความโรคความโกรธความหลงอะไรก็เบาไปตามกันก่อก็เหตุที่มันโลภมันอยากได้ของผืนไปขุงตนก็เพราะว่ามันถือตัวนี่แหละนีว่ากันไปแล้วนะถ้ามันมองเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วมันจะไม่อยากได้ของใครเลยนั่นแหละ ตนหามาได้เท่าไใดก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นไม่มีก็ไม่บริโภคอมันจะแตกมันจะทําลายลงก็แล้วแต่เรื่องของมันนี่นะเมื่อมันเห็นแจ้งชัดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็จะไม่ใช้กายวาจานี้ไปทําชั่วทําบาปเลยแม้ความโกรธก็เหมือนกันนะถ้าเมื่อเจริญปัญญาพิจารณาเห็นร่างกาย นามรูปวันนี้ไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมอเสมอแล้วมันจะไปโกรธใครวัเนี้ลองคิดดูสิไอ้บุคคลอื่นก็ไม่ใช่ของเขารูปร่างอะไรก็ไม่ใช่ของเขาเป็นแต่ธาตุที่ดินน้ำไฟลมหรือขันห้าเฉยๆเหมือนกับที่ตนรูปร่างสินี่แหละของคนอื่นก็ดีไม่แปลกกันเลย พลันพิจารณาให้มันรอบครอบหมดทุกอย่างเรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้นอันเมื่อมันเห็นแจ้งอันนั้นแล้วมันก็จะไปโกรธทำไมเมื่อเมื่อโกรธไปตนเองก็เป็นผู้เศร้าหมองอารมณ์นั้นมันก็ไม่ว่าอะไรแม้ว่าจะทุบจะตีจะยิงจะฟันอะไรให้ล้มให้ตายลง รูปนั้นมันก็ไม่ว่าอะไรมีแต่ดวงจิตที่อาศัยอยู่ในรูปนั้นเท่านะั้นมันเดือดร้อนอืมมันก็เหมือนเราฟันตน้นกล้วยตน้นอ้อยต้นไม้นี้เองนี่รูปร่างกายอันนี้นะมันก็มีแต่แตกดับทําลายลงแล้วกับเปื่อยเน่าเป็นธาตุดินธาตุ น, น้ําไปตามเรื่องที่เฉยนี่นะ เราต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาจนให้มันเห็นถึงความจริงอย่างนี้มันก็หายโกรธหายเกลียดชังต่างๆนานาไปแล้วจิตใจอะไรนะอันที่มันไม่ยอมลดละความโกรธนี่มันก็เพราะยังมองไม่เห็นว่าร่างกายอันนี้ว่ามันความจริงมันเป็นยังไงควรละความถือมัน่นหรือควรยึดถืออย่างนี้มันมองไม่เห็นนะ่ะ มันไม่ได้พิจารณาสาเหตุที่มันจะไม่เห็นนั่นนะถามพิจารณาอยู่บ่อยๆอยูมุกก็เห็นสินั่นแนหะมันเห็นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันอย่าประมาทเราได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐแล้วพระพุทธเจ้าทรงชีห้นทางออกจากทุกข์ให้แล้วเราจะไปเมินเฉยอย่าไปละเลย เราต้องพยายามไม่ท้อไม่ถอยอยู่นั้นแหละก็เขาที่อยู่ในโลกครองเลือยนะ่ะเขาจะร่ำรวยเงินทองเข้าของได้เพราะเขามีความอดความเพียรต่อหน้าที่การงานนั้นๆไม่เห็นแก่รับแกนอนอ อย่างพวกคะแมค้าพ่อค้าอย่างนี้นะเอา้าถ้าไปนอนตื่นสายอย่นี้ก็ไม่ได้ขนของออกมาวางหน้าร้านอก็ขาดลูกค้าไปร้านใดเขาเปิดก่อนเขาก็ได้ขายก่อนเป็น อ, อย่างนั้นมันใจมันคิดอยู่นั้นพอนอนหลับไปตื่นขึ้นมันก็รีบลุกขึ้นมา พอส้มควรเก็บเวลาแล้วก็ไปทำกิจการงานขนสิ่งของที่เอาวางไว้หน้าร้านแล้วเก็บไปไว้ในร้านเอาออกมาตั้งโชว์ให้คนเห็นเขาจะได้มาซื้อของนั้นเขาทำกันถึงป่านนั้นแหละมันถึงได้ร่ำรวยเงินทองเข้าของ อะไรต่ออะไรขึ้นมาแต่พอะไร้เกียรครัานเราเห็นจะเกรลับแก่นอนโอ้จะไปทำการค้าการขายอะไรก็ไม่ทันเขาแล้วไม่ได้เลยทำนาทำสวนก็ลอ้องเถอะอ่ยิ่งสมัยทุกวันนี้ฝนฟ้าอากาศยิ่งไม่อำนวยถ้าฝนตกมาหาหนึ่งแล้วอย่างนี้ อ๊มันน้อยไปนะให้มันตกมาหลายคนนี้ก่อนเถอะเราจึงไปไถไปคลาดกันอย่างนี้ไม่ไหวแล้วทุกวันเนี่ยผู้มีปัญญามต้องจ้องอยู่งั้นพอฝนตกลงมาหาหนึ่งน้ำขังในไร่ในนาในสวนแล้วก็รีบลงมือไถลงมือหว่านทันทีเลย อ, อย่างนี้เราถึงจะทันกับฤดูกาลเนี่ย จึงจะได้ปลูกได้ปักได้ดำลงไปนานก็ดีนี่เราพิจารณาดูหลายเงีย้ยหลายมุมเข้ามาประกอบกันสิคนเรานะ่ะมันจึงได้มันขยันนั่นแหละอันนี้ทั้นใดก็เหมือนกันนี่ทางโลกเขาจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะความมันความขยันความภาคเพียรเพราะสติปัญญาพูดถึงในทางธรรมนี่ มันก็เหมือนกันนี่กลัวว่าธรรมะจะเกิดขึ้นในใจความรู้ยิ่งเห็นจริงจะเกิดขึ้นมันก็ต้องภาคเปียนพยายามไปอยู่ยนั้นไม่หยุดไม่ยั้งเลยเพียรเพ่งพินิจอยู่ในจิตใจนี่ซ้อนใจตัวเองให้มันละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ควรละดังกล่าวมานั่นน่ะ ให้สอนใจนี่ให้มันละเสมอไปอย่าว่าขันห้านี่จริงดวงจิตได้อาศัยขันห้าอยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้สําคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวตนของเราเพราะมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆนี่มันเป็นธาตุสีน่น้ําไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองแล้วเช่นนี้นะ่ะจะไปถือไว้ทําไม สอนตนเข้าไปอย่างนี้ถือไว้ได้ก็ไม่ได้นะไม่ได้เอาติดตัวไปด้วยหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทาลายลงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็นั่งภาวนาทาจิตให้สงบลงไปแล้วก็สอนจิตใจตัวเองตัวเองสอนตัวเองมาเขาว่าอย่างนั้นแหละก็เมื่อเมื่อหากว่าไปนั่ง ใช้ยอยู่ใช้ไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปีนิพนาอะไรมันก็ไม่เกิดปัญญาเลยความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงก็ไม่เกิดมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึงวางเข้าใจ <c oughs> พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสภาษิตไว้ว่า โยคาเวชายเตภูริแปลว่าปัญญายมเกิดขึ้นเพราะความประกอบดังนี้นี่แหละให้เข้าใจความประกอบก็ามหมายความว่ามันคิดมันพิจารณาไม่ท้อไม่ถอยแต่ว่าเราต้องควบคุมจิตให้ได้ การพิจารณานะต้องควบคุมจิตให้ได้ให้จิตตั้งมั่นลงไปแล้วจึง่อพิจารณาเรื่องใดๆก็ดีเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้ปล่อยวางคือวางใจให้เป็นกลางลงไปแล้วไม่คิดไม่่นึกไม่พิจารณาต่อไปอีก นี่นะคำว่าปล่อยวางนะ่ะ น, นี่วางเฉยมีสติประคองความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ให้มันอยู่นานๆเท่าที่มันจะนานได้ถ้าหากว่าจิตใจเป็นนั้นก็แสดงว่ามันวางได้แต่มันอาจจะวางไปได้ชั่วคราวชั่วคราวก็เอาก่อน มันวางไปได้ช่วระยะหนึ่งก็เอาเมื่อเราเขียนพยายามวางปล่อยวางบ่อยๆเขาก็วางไปได้นานวางขันห้าอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเพ่งตัวเองนะทุกคนนะให้คิดอย่างนี้ เราจะไปหวังพึ่งแต่อุปชอาอาจารย์หวังพึ่งแต่ผู้มีความรู้ความฉลาดติดมาสอนเราอยู่เสมอเสมอเราจรึงจะทำความดีได้อย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่หรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นมันต้องพึ่งตัวเองต้องบังคับตัวเองให้ได้แต่ละคนดังนั้นอย่าอย่าไปหวังพึ่งผู้อื่นเป็นอยู่ การที่เราฝึกตนฝึ ก, กจิตใจให้สงอบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นละความชั่วทำความดีได้อันนี้นะเรียกว่าคิดพึ่งตนทำตนให้เป็นสุขพ้นจากทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา